ตอนที่ยี่ิบกบทเปลี่ยนผ่านเบื้องหน้ามีสมัญญ์นามเบื้องหลังมีนามศกเทียงแค่เรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนหลังเหล่านี้ก็ทําให้ชูหลิงมีความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับกลุ่มขุนนางระดับสูงที่เป็นแกนกลางของต้าอวีขุนนางระดับสูงพวกนี้ล้วนเป็นนักการเมืองที่เคี้ยวลากดินอย่างน้อยในสายตาของพวกเขาจักรพรรดิผู้สื่อรราชสันติวงศ์อย่างเขาเพียงแค่ต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปให้ดีก็พอ ส่วนเรื่องอื่นนั้นมีสามตำหนักหลังอยู่มีพวกเขากันอยู่ต้าอวีจะไม่มีวันเกิดปัญหาใดๆอย่างแน่นอนอาจเป็นพระชูหลิงยังยาวัยหรืออาจเป็นพระชูหลิงเป็นบุตรที่เกิดจากอนุหักชูหลิงต้องการนั่งบนบัลลังก์จักรพรรดิอย่างมั่นคงเขาต้องเชื่อฟังและทำตามคำสั่งทุกประการจักรพรรดก็ต้องทำในสิ่งที่จักรพรรดควรทามิเช่นนั้นจะมีขุนนางไว้ทาไม เพราะว่าบนเส้นทางแห่งอำนาจนี้ถูกกำหนดไว้แล้วว่าต้องมีผู้กุมอำนาจสูงสุดเพียงผู้เดียวหากมีมากเกินไปย่อมเกิดความวุ่นวายยิ่งไม่ต้องพูดถึงว่าในตอนนี้ต้าอาวีมีถึงสามคนหม่อมฉันสวีชู่อัครเสนาบดีฝ่ายซ้ายแห่งสำนักจงซูถวายบังคมจักรพรรดิผู้สื่อราชสันติวงศ์ห ม, อม่อมฉันวางรุ่ยอัครเสนาบดีฝ่ายขวาแห่งสำนักจงซูถวายบังคมจักรพรรดิผู้สื่อพระราชสันติวงศ์หม่อมฉันชีเซิงพิงจางเจิ้งซื่อแห่งสำนักจงซูถวายบังคมจักรพรรดิผู้สื่อพระราชสันติวงศ์ หม่อมฉันยังปีนจงซูจัวเฉิงหม่อมฉันฟังเจอจงซูโยเฉิงหม่อมชันซุนเหมียวหลวนไทยซื้อจงแห่งกรมประตูหน้าหม่อมชันเฉาจื้อหลวนไทยซื้อจงแห่งกรมประตูหน้าหม่อมชันเสี่ยวจิงซานชีช้างซื้อแห่งกรมประตูหน้า ชูหลิงที่ประทับอยู่บนบัลลังก์มองดูเหล่าขุนนางจากสำนักจงซูและกรมประตูหน้าที่กำลังประสานมือทำความเคารพอยู่เบื้องหน้าเขาก็เข้าใจในทันทีว่าการเข้าเฝ้าครั้งนี้เพื่อถวายดีกนามศกที่ร่างไว้เบื้องต้นเพื่อให้เขาส่งเลือกนั้นความจริงแล้วเจตนาคือต้องการให้เขารับรู้สถานการณ์ของสำนักจงซูและกรมประตูหน้านี้คงเกรงว่าจะเกิดข้อผิดพลาดในพิธีบรมราชาพิเศษกระมังเมื่อคิดถึงเรื่องนี้ชูหลิงก็ตั้งคำถามในใจว่านี่เป็นเจตนาของทั้งสองหน่วยงานหรือว่าเป็นเจตนาของสามตำหนั ก, กันแนแ่ ฟาบาดเมื่อเห็นชูหลิงนิ่งเงียบไปนานลีจงก็เหลือบมองเหล่าขุนนางที่ยังคงประสานมือค้างไว้ก่อนจะ ก, กระซิบเตือนชูหลิงเบาๆตามสบายเถิดชูหลิงดึงสติกลับมาพลางยื่นมือออกไปทางกลุ่มของสวีชูขอบพระไทยในพระมหากรุณาธิคุณพะยะค่ะสวีชูและคณะประสานมือคำนับอีกครั้งพร้อมกันคนชื่อเสียจิงคนนี้ยังหนุ่มอยู่นะดูแล้วน่าจะเพิ่งเข้าสู่วัยสาสิบปีเออร์ลี่ เท่านั้นกลับได้เป็นถึงสั้นชีช้างซื้อแห่งกลมประตูหน้าดูถ้าคนผู้นี้คงไม่ธรรมดาเสียแล้วท่ามกลางเหล่าขุนนางที่อยู่ตรงหน้าชูหลิงถูกดึงดูดโดยคนผู้หนึ่งนั่นคือเสี่ยวจิ้งสั้นชีช้างซื้อแห่งกลมประตูหน้าท่ามกลางกลุ่มชายชาราเขากลับดูโดดเด่นสะดุดตา ย, ยิ่งนักต้องหาโอกาสสืบหาที่มาของเซียวจิ้งคนนี้เสียหน่อยในช่วพริบตานั้นชูหลิงก็ตัดสินใจได้ในใจความหนุ่มสาวนั้นดีนักเพราะยังมีคนจํานวนมากกดทับและควบคุมอยู่เบื้องบนใครเล่าจะอยากเป็นเช่นนี้ตลอดไป อย่างไรก็ตามชูหลิงก็รู้ดีว่าเรื่องนี้ไม่อาจรีบร้อนต้องค่อยเป็นค่อยไปในตอนนี้เขายังเยาว์เกินไปนี่คือจุดด้อของเขาแต่ก็เป็นจุดเด่นของเขาเช่นกันชูหลิงสามารถรอคอยโอกาสอย่างอดทนปีหนึ่งไม่สําเร็จก็รอสองปีสองปีไม่สําเร็จก็รอสามปีแต่ขุนเขาใหญ่สามลูกที่กดทับอยู่บนหัวเขาละเมื่อชูหลิงอายุมากขึ้นหนึ่งปีพวกนางก็แก่ลงหนึ่งปีเช่นเดียวกันกับเหล่าขุนนางบุนและบูระดับสูงในราชสํานักภายนอก ทุนจั ก, กรพรรดิผู้สื่อราชสันติวงศ์นามศกที่สำนักจงซูร่างขึ้นเบื้องตน้นและผ่านการพิจารณาจากกรมประตูหน้าแล้วบัตรนี้ดินน้ำดีกาเสนอชื่อนามศกมาถวายเพื่อให้ทรงเลือกพยาคา่ะขณะที่ชูหลิงกำลังครุ่นคิดสวีชู่ก็ก้าวไปข้างหน้าพร้อมชูดีกาขึ้นพางก้มศีสรายงานพิธีบรมราชาพิเศษใกล้จะมาถึงแล้วจั ก, กรพรรดิผู้สื่อพระราชสันติวงศ์จำเป็นต้องกำหนดนามศกใหม่เพื่อให้ใต้ล่าเกิดความมั่นคงพยาคา่ะนำขึ้นมาเถิดชูหลิงกล่าวอย่างสงบ พยะค่ะหลี่จงที่คอยประนิบัติอยู่ด้านข้างขานรับก่อนจะรีบเดินไปหาสวีชู่เพื่อรับดีการมาถวายให้จักรพัทผู้สื่อพระราชสันติวงศ์ทอดพระเนตรทว่าวก่อนที่หลี่จงจะเดินไปถึงสวีชูก็เอ่ยขึ้นอีกครั้งเรื่องนี้สําคัญยิ่งจักรพัทผู้สื่อพระราชสันติวงศ์ยังทรงพระยาว์หม่อมฉันและคณะใคร่ขอพระบรมราชานุญาตให้นําดีการนี้ไปถวายแด่สามตําหนักหลังเพื่อทอดพระเนตรก่อนพยะค่ะซิ่งคําพูดของสวีชูหลี่จงก็ชะงักฝีเท้าแววตาที่มองสวิชู่เปลี่ยนไปทันที ในขณะเดียวกันหวงังรุ่ยฉีเซิงและคนอื่นๆที่มาเข้าเฝ้าพร้อมกันก็มีสีหน้าเปลี่ยนไปเห็นได้ชัดว่าการกระทำของสวี่ชูในครั้งนี้พวกเขาไม่ได้ล่วงรู้มาก่อนมีเงื่อนนําเสียแล้วชูหลิงเห็นเหตุการณ์ตรงหน้าแต่ไม่ได้โกรธเคืองที่สวี่ชูทําเช่นนั้นเขากําลังสังเกตปฏิกิริยาของเหล่าขุนนางที่อยู่เบื้องหลังสวี่ชูสัญชาตยานบอกเขาว่าการที่สวี่ชูทําเช่นนี้ต้องมีจุดประสงค์บางอย่างแน่นอนคิดจะอย่างเชิงใครกันอย่างเชิงข่าหรืออย่างเชิงสามตำหนักหลัง ไม่สี่หวงทเทฮาสวีเจิ์นเป็นบุตรสาวของสวีชูต่อให้เป็นการอย่างเชิงก็น่าจะเป็นการอย่างเชิ ง, ทงทเทห่วงเทฮากับพองฮาวเสียมากกว่าแต่จุดประสงค์ที่เขาทําเช่นนี้คืออะไรกันแน่หรือจะเกี่ยวข้องกับเหตุเพลิงไม่ที่ตําหนักต้าซิงชูหลิงถูกตัดขาดจากโลกภายนอกโดยซิ่งเชิงเขาไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นภายนอกตําหนักต้าซิงทําให้เขาขาดข้อมูลที่จะนํามาใช้ตัดสินสถานการณ์ได้เลยอัครเศสนาบดีฝ่ายซ้ายท่านหมายความว่า อ, อย่างไรเสียจิงขมวดคิ้วแน่นพลางมองไปที่สวีชู การเลือกนามศกเป็นเรื่องใหญ่ตามระเบียบต้องถวายต่อเบื้องพระพักตร์แม้จักรพรรดิผู้สืบราชสันติวงศ์จะยังทรงพระเยาว์และต้องขอให้สามตำหนักหลังเป็นผู้ตัดสินใจแต่อย่างน้อยก็ควรให้ฝาบาทได้ทอดพระเนตรก่อนแล้วค่อยว่ากันสิ่งที่ท่านสร้าง ช, ชี้ชังซื่อเซียวกล่าวมานั้นถูกต้องแล้วสวีชูเอ่อยตามน้ำเป็นข้าที่เลิเลอเองเมื่อกล่าวถึงตรงนี้เหตุการณ์ที่ทําให้ทุกคนตกตะลึงก็เกิดขึ้นฝาบาทหม่อมฉันแก่ชาราจนเลื่อนเลือนเกรงว่าจะไม่อาจรับภาระหน้าที่สําคัญ น, นี้ได้อีกต่อไป สวีชู้หยิบดีกาอีกฉบับออกมาพลางประสานมือคณบชุลิงเมื่อครูหม่อมฉันกลับกระทำการล่วงเกินเช่นนั้นตำแหน่งอัครเสนาบดีฝ่ายซ้ายแห่งสำนักจงซูนั้นสำคัญเพียงใดหม่อมฉันไม่อาจรับผิดชอบได้อีกบัดนี้จึงขอถวายบังคมลาออกจากตำแหน่งขอฝาบาททรงพระกรุณาโปรดเกล้าอนุญาต ด, ด้วยเถิดผู้จบสวี่ชู้ก็คุกเข่าลงกับพื้นท่านอัครเสนาบดีฝ่ายซ้ายท่านอัครเสนาบดี เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันนี้ทำให้ขุนนางในตําหนักต่างสีหน้าเปลี่ยนไปรวมถึงเซียวจิงที่เพิ่งก้าวออกมาคัดค้านสวีชูด้วยนี่มันนิวฉากไหนกันอีกชูหลิงที่ไม่เข้าใจสถานการณ์เมื่อเห็นเหตุการณ์ตรงหน้าเขาก็รู้ว่าเรื่องนี้ต้องไม่เรียบง่ายอย่างที่เห็นพิธีบ ร, รมราชาพิเศษของเขากำลังจะเริ่มขึ้นในไม่ช้าแต่ในเวลานี้อคาเรเสนาบดีฝ่ายซ้ายแห่งสำนักจงซู ก, กลับขอลาออกหักเรื่องนี้แพร่ อ, ออกไปจะสร้างความปนป่วนเพียงใดจุดประสงค์ที่เขาทำเช่นนี้คืออะไร ชูหลิงไม่มีทางถูกสวีชูหลอกด้วยลูกไม้เช่นนี้คนตรงหน้าไม่ได้เป็นเพียงอัครเสนาบดีฝ่ายซ้ายแห่งสำนักจงซูและไม่ได้เป็นเพียงบิดาของหัวหเทหองปัจจุบันเท่านั้นแต่ที่สำคัญยิ่งกว่าคือเขาเป็นขุนนางฝ่ายบุญเพียงคนเดียวของต้าอาวีที่ได้รับบรรดาศักดิ์เป็นก๋อกงนี่คือขุนนางเก่าแก่สมรัชการผู้ที่พระราชทานบรรดาศักดิ์ก๋อกงให้เขาก็คือจักรพัฒด์เทจู่เก่าหากสวีชูจะเลื้อเลือนจริงคนที่อยู่ตรงหน้าเหล่านี้ก็คงเป็นพวกเลื้อเลือนกันหมดแล้ว อืมหลี่จงเรื่องนี้เจ้นควรทำอย่างไรดีภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ชูหลิงลออสยยิ้มในใจก่อนจะหันไปมองหลี่จงที่กำลังตื่นตระหนกเจ้นควรอนุญาตให้อัคราเสนาบดีฝ่ายซ้ายลาออกหรือไม่บ่าหลี่จงยิ่งใจหายว่าเรื่องเช่นนี้เขามีสิทธิสอดปากที่ไหนกันฝ่าบาทเรื่องนี้สาคัญยิ่งนักจำต้องให้สามตหนักหลังเป็นผู้ตัดสินใจพยาค่ะ ในตอนนั้นเองเซียวจิงที่มีสีหน้าซับซ้อนหลังจากเหลือบมองสวีชู่แล้วก็ประสานมือคำนับชูหลิงแต่เรื่องดีกันนามศกนั้นขอฟา บ, บาดปรดทอดพระเนตรก่อนเถิดพะยะค่ะเอาตามที่ท่านเสียวว่าก็แล้วกันชูหลิงยิ้มบางๆางพางมองไปที่เซี่ยวจิ้งส่วนดีการนั้นเจิ้นจะไม่ดูแล้วให้นําไปถวายท้ห่วงที่าทอดพระเนตรก่อนเถิดเจิ้นเหนื่อยแล้วพวกท่านถอยไปให้หมดฟาบาดกระหม่อมทูลา เสียงคานรับดังขึ้นในตําหนักแต่สําหรับชูหลิงแล้วเขายิ่งรู้สึกสนใจในตัวเซียวจิ้งคนนี้มากขึ้นดูเหมือนว่าคนผู้นี้จะให้ความสําคัญกับกฎระเบียบและจารี่ประเพณีอย่างยิ่งซึ่งอาจจะเป็นเรื่องดีสําหรับเขาก็ได้